มิลินทปัญหาของกรมเสือปากรมิลินทปัญหาเมนเดกะปัญหาปฐมวัตรสีวิรัญโยจักขุธานะปัญหาที่ห้าถามว่าที่ตรัสไว้ว่าคนตามืดหาจาักสุประสาท์ไม่ได้ไม่ได้ทิพจักสุ เหตุไรเมื่อพระยาศีวิราชควักพระเนตรทั้งสองให้ทานแล้วจึงกลับได้ทิพจักสุเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัฏปัญหาว่าพันเตนาคเสณะข่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าตุมเหพระนัทะนี่มนแก้ปัญหานี้ด้วยคำอันนี้มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าทิพจักขุบังเกิดแก่พระยาศีวิราช อันควักพระเนตรทั้งสองให้เป็นทานมีตาอันมืดแล้วกลับได้ทิพจักขูมีพระเนตรเป็นทิพเล่านี้แหละโยมพิเคราะห์ดูหาเห็นด้วยไหมด้วยพระพุทธดีกาสิว่าไว้ในพระสูตรนั้นว่าบุคคลมีตาอันมืดหาจักขูวัตถุและจักขู่ประสาทไม่ได้บุคคลผู้นั้นจะได้ทิพจักขูหาบ่ไม่ได้พระพุทธฎีกาทั้งสองนี้ไม่ต้องกัน จะเชื่อคำก่อนคำหลังก็จะผิดจะเชื่อคำหลังคำก่อนก็ผิดปริศนานี้เป็นอุพโตโกตินิมนโโปรดวิสัชนาแก้ไขให้โยมสิ้นสงสัยในการบัดนี้พระน่าเกษมมีเถระวาจาแก้ไขปัญหาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ มีพุทธดีกาโปรดประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าพระยาศีวิราชควักพระเนตรทั้งสองให้เป็นอัจฉติกทานแกยาจกอันมาขอนี้สมเด็จพระเจ้าสีวิราชกลับได้ทิพจักขู่คืนนั้นพระพุทธดีกาอันนี้ไม่ผิดมาวิมติอุปาเทสิมหาบาพิษอยาได้ทรงพระวิมติสงสัยพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าทำไมไม่ให้สงสัยเล่าก็พระเจ้าศรีวิราชควักพระเนตรเสียแล้วที่พระจักขูบังเกิดในที่หาวัตถุมิได้กระนั้นหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนมีเทระวาจาว่าใช่กระนั้นนะบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้า จงวิสัชนาให้โยมเข้าใจในการบัดนี้พระนัเกเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชฯขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าสัจจาทิฐานี้ถ้าผู้ใดกล่าวสั จ, จาวาทีแล้วได้สำเร็จปรารถนาจะมีปรากฏอยู่ในโลกบ้างหรือประการใดบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตเออพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ที่เขามีความสัตว์นั้นตั้งสัจจาธิฏฐานเป็นอันมั่นแล้วบรรดาฝนไม่ตกก็อธิษฐานให้ฝนนั้นตกลงได้บรรดาเพลิงจะไหม้แล้วก็ตั้งสัจจาธิฏฐานให้เพลิงดับไปถึงมาดว่าต้องพิษจะให้ชีวิตบรรลัยตั้งอธิษฐานแล้วก็หาพิษมิได้น้ําที่เคยไหลลงไป ตั้งสัจจาทิฏฐานให้น้ำนั้นไหลกลับทวนกระแสไปได้ถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในสัตว์แล้วอธิฐานได้ต่างๆชนี้พระนาคเสนมีเถระวาจามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารเหตุนี้มีประการฉันใดเล่าพระเจ้าศรีวิราชก็เหมือนกันนั่นแหละบพิษพระราชสมภารพระเจ้าศรีวิราชควักพระเนตรให้เป็นทานแล้วตั้งสัจจาธิฐาน ด้วยเดชานุภาพสัตยาธิฏฐานนั้นจากขุประสาทอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดด้วยอำนาจแห่งพระเจ้าสีวิราชตั้งสัจจาธิฏฐานสัจจานั่นแหละเป็นวัตถุตั้งให้เกิดทิพจักขุได้อันหนึง่งขอถวายพระพ ร, พรมหาบพิษผู้เป็นมหิสราธิบดีเกจิสิทธาหรือสีสิทธ์บางจำพวกสัจจานุคายันติตั้งสัตยาธิฐานว่าให้ฝนบรนดาลตกลงมา ฝนนั้นก็เป็นท่อธทาราตกลงด้วยอำนาจวาจาสัตว์นี้ขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นมหิศราธิบดีก็ฝนจะตกนี้อาศัยเหตุจึงอาเพศให้ฝนตกลงมานี่หาเหตุไม่ฉันใดฝนจึงตกลงมาเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัต ร, ริย์ว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าความสัตว์นี้เล่าอุดมหนักหนา ควรจะว่าเป็นเหตุที่จะอาเพศให้ฝนตกลงมาพระนาคเษนมีเถระวาจาว่าเอวเมวโขมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความเปรียบนี้มีประการชันใดพระเจ้าศีวิราชได้ทิพจักขุนี้ก็อาศัยมีสัตว์เป็นวัตถุเปรียบดุดฝนอันประวัตนาการตกลงมาด้วยเหตุแห่งสัจจาธิฐานนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าเยเกจิสิทธาเหล่าฤาษีสิทธิ์ที่กล่าววาจาสัตตนั้นอาคิคขันโธชลิตะปัจชลิตโตกองเพลิงอันลุกเป็นเปลวรุ่งเรืองขึ้นมาก็กล่าวสัจจวาจาขึ้นทันใดว่าเพลิงท่านจงดับกลับไปเพลิงอันใหญ่หาวิญ ญ, ญาณบ่ไม่ได้ก็กลับดับไปเหมือนวาจามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารหรือว่าน้ำท่าสิ่งใดเป็นวัตถุไปดับห้ามไว้เล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าหาไม่ได้กองเพลิงอันใหญ่เป็นไปด้วยสัจจะมีสัจจะเป็นวัตถุพระนาคเกษนวิสุทธิสงฆ์องค์ อ, งอรหันต์ถวายพระพรว่าความเปรียบนี้ฉันใดก็ดี สัจจะเป็นวัตถุอันจะเป็นที่อาศัยแห่งทิพจักขุนั้นจกักขุก็บรรดาลมีขึ้นด้วยอำนาจที่เท้าเธอตั้งสัจจาธิฐานมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเล่าเยเกจิสิทธาหรือศีสิทธ์บางเหล่าที่เป็นสัจวาทีอธิษฐานที่ยาพิษว่าชนีวิสังหาลาฮาหลังอปะขะตังภพวัตุ ว่ายาพิษกินตายนี้จงกลับกลายหายไปในทันใดนั้นพิษก็บันเทาหายไปนุโขอัตมาขอถามมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารหรือสันนิจิกาลยาการอันวิเศษสิ่งไรไว้จึงบันดาลให้ยาพิษหมดพิษไปสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีพระราชองค์การตรัสว่าหาไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปด้วยสัจาวาทีขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นมหิตสราธิบดีพระเจ้าศีวิราชนี้ก็ได้ทิพจกักขุด้วยสัจจาทิศฐานเหมือนกันอันหนึ่งดูกะระบพิษพระราชสมภารพระโยคาวจรที่ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ประการคือทุกขสัจสมุ ท, ทยัยสัจนิโรธสัจมรคสัจ สัจจะสี่ประการนี้จะได้รู้ด้วยพิธีธรรมอันอื่นนั้นหาไม่ได้อาศัยพิจารณาเห็นเป็นสัตว์จริงแท้ไม่ได้ผันแปรแกลับกลายเหมือนหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีแต่เกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดเวียนอยู่ชนี้ก็มีเที่ยงแท้ท่านผู้วิเศษเห็นแท้ไม่ประมาทลืมตนเลยเป็นสั์จังจริงชะนี้ท่านจึงได้สำเร็จแก่พระจตุราริยสัต เหตุจิตไม่ได้กลับกลายอาศัยสัตว์นี้มหาราชะดุราณะบพิษผู้เป็นมหิสราธิบดีเนื้อความนี้พระราชาสมภารยังจะได้ทรงพระสนาการฟังบ้างหรือประการใดจินวิเยจินาราชายังมีสมเด็จบรมกษัตริย์มหาสมุติวงพระองค์หนึ่งทรงพระนามชื่อว่าจิ น, นราช เสด็จสังวาดครอบครองจินะประเทศสมุทเทกีริตุกาโมมีน้ำพระทัยปรารถนาจะใคร่เล่นน้ำในมหาสมุทรให้สำราญจึงกระทัศ จ, จาธิฐานอยู่ประมาณสี่เดือนมิได้เคลื่อนคลายแล้วสมเด็จพระเจ้าจินราชก็เสด็จทรงพระมหาพิชัยราชรสมณีอันเทียมด้วยศิลทบพาชีทั้งสี่สมเด็จพระเจ้าจินราจอมทรณี ขับพาชีไปในท้องมหาสมุทรไกลสุดโสดโยดหนึ่งโดยประมาณด้วยกำลังสัจจาทิฐานสำรามราชหาลุไทยอธิบายว่าลูกคลื่นอันใหญ่ก็หลีกไปจากงอนรถจะได้เปียกชุ่มหาไม่ได้ดุดน้ำในใบบัวบรรดาลเป็นไปนุโขดังอาตมาถามธรรมดามนุษย์ครุฑทาสุรยักษ์ จะหักเอาเรี่ยริดโดยปกติมิอาจจะข้ามได้มิอาจจะเดินเที่ยวไปในมหาสมุทรได้หรือว่าจะข้ามได้เล่าพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระน้าเกษณผู้ปรีชามนุษย์ทั้งหลายถ้าจะว่าโดยปกตินี้แต่สัอันใหญ่ก็มิอาจเดินหลีกน้ําได้ จะป่วยกล่าวทำไมที่หลีกน้ำในมหาสมุทรเล่าพระนาเคเษนจริงว่านี่แลพระราชสมภารเจ้าพึงเข้าพระทัยเถิดว่าความสัตว์นี้ประเสริฐนักหนามหาราชะดูรานะบพิษผู้เป็นมหิตสราธิบดีดังจะรู้มาว่าสมเด็จพระเจ้าธรรมาสกราชมีหมู่อมาตท์แวดล้อมเป็นบริวาร สเสด็จจากพระราชฐานไปเพื่อจะสงสนานเล่นทิศสวาได้ทัศนาการเห็นนวะสละลีเลซึ่งน้ำลหลากไหลมามากหนักหนาะโดยยาววัดได้ห้าร้อยโยต์โดยกว้างโยตหนึ่งจึงมีพระราชโอการตรัสว่าดูกระสูชาวเจ้าทั้งปวงท่านยังจะเห็นใครอาจสามารถที่จะให้อุทธกังอันไหลมานี้ให้ไหลกลับไปได้ อมัจจะขนาฝ่ายว่าอมัดขราชการทั้งหลายจึงกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทวดาผู้ประเสริฐการที่จะทำให้น้ำในมหาคงคาไหลกลับไปนั้นทุกกระรังกระทำยากนักหนาตัดสมิงคเนในขณะนั้นยังมีสตรีแพทย์สยาผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่ฝั่งคงคา ได้สวรรคการฟังว่ามีพระราชประสงค์จะให้น้ําในมหาคงคาไหลกลับไปสตรีแพทย์สยานั้นจึงตั้งสัจจกิริยาว่าฉะนี้ว่าข้าพเจ้านี้เป็นสตรีแพทย์สยาอยู่ในพระนครข้าพเจ้านี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้เพราะเลี้ยงชีวิตด้วยรูปนี้เป็นความสัตว์ ขอให้พระมาหากษัตริย์เห็นประจักษ์แก่พระเนตรในครั้งนี้ขอให้วารีที่ไหลามานี้จงไหลกลับไปให้เห็นประจักษ์ในครั้งนี้เมื่อนางนครโสมพิณีตั้งสัจจาทิฏฐานแล้วคงคาก็บดาลไหลกลับไปสิน้นด้วยอำนาจสัจจวาทีนั้นอะทกโโหในลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้าธรรมาโสกราชทอดพระเนตรเห็นคงคาไหลกลับไป ประหาดพระไทยนักหนาจึงมีพระราชองค์การตรัสถามอมาตว่าดูกระอะอมาตใครหนอมีวิ ช, ชาสามารถอาจยังคงขาให้ไหลกลับไปได้อมาตจึงทูลว่ามีสตรีนครโสภิณีผู้หนึ่งกระทําสัจจะกิริยาคงคาจึงไหลกลับไปขอพระองค์จงทราบ พ, พระไทยในการบัดนี้สมเด็จเจ้าธรมาโสกราช ทรงฟังก็ประหาดพทยัยจึงมีพระราชองค์การให้หาหญิงนครโสพินีมาที่หน้าฉานมีพระราชองค์การตรัสถามชนิดว่าโพตีดูกระเจ้าผู้เจริญเจ้ากระทาสัจจะกริยาหรือคงคาจึงไหลกลับไปนางนาครโสพินีรับพระราชองค์การว่าพระพุทธเจ้าค่าคงคานั้น ไหลกลับไปด้วยอำนาจสัจจกิริยาของกระหม่อมฉันสมเด็จบรมกษัตริย์มีพระราชโอรการตรัสถามว่าเจ้านี้มีกําลังฤทธานุภาพอย่างไรใครเขาจะเชื่อถ้อยฟังคำของเจ้าเจ้าเป็นยักษ์หรือเป็นนาคอย่างไรที่เจ้ากระทากระแสน้ำให้ไหลทวนกลับไปได้ดังนี้ด้วยอนุภาพอะไรสตรีภาพผู้นั้นจิงทูลว่า เทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทวดาพระองค์อย่าทรงพระวิตกคิดกังขาสงสัยจะเป็นมริดเดชอันอื่นหาไม่ได้คงคานี้ไหลไปด้วยสัจจะกิริยาแห่งกล้าวกระหม่อมฉันสมเด็จพระบรมกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสว่าตัวเจ้านี้เป็นนครโสพินีหญิงไม่มีสติปัญญาทุตี เป็นนักเลงหามาลยาตไม่ได้มีแต่ว่าจะโลมเล้าคนทั้งหลายให้หลงไหลไม่มีศีลจะเอาอะไรเป็นสัจจะไหนเจ้าตั้งสัจจะอย่างไรจงว่าให้เราฟังก่อนนางนครโศพินีประนมกรชุลีถวายบังคมทูลว่ากระหม่อมฉันตั้งสัจจะทิฏฐานว่ากล้าวกระหม่อมฉันหาเลี้ยงชีวิตด้วยการมาคุณประโลมสิ่งเดียว จะได้เลี้ยงชีวิตด้วยการอื่นหาไม่ได้บุคคลผู้ใดให้ทรัพย์แล้วกระหม่อมฉันก็พึงสมาคมด้วยผู้นั้นจะได้เลือกหน้าว่ากษัตริย์และพราหมณ์พ่อค้าหาไม่ได้ตั้งใจปรนิบัติบุรุษผู้ให้ทรัพย์เสมอกันนี้เป็นความจริงด้วยสัจจะวาทีของกระหม่อมฉันนี้งคงขาก็บรรดาไหลทวนไปในการนั้น พระนาคเรนนำเอาเรื่องราวนางนครโสพินีมาวิสัชนาถวายสมเด็จพระเจ้ามิลินสิ้นใจความเท่านี้แล้วจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูรานาบพิทพระราชสมภารอันบุคคลมีสัจจาทิฏฐานแล้วก็บันดานให้สำเร็จความปรารถนาดุดในยะที่อาตมาถวายวิสัชนามาเป็นตัวอย่างชนนี้ซึ่งว่า พระเจ้าสีวิราชให้พระเนตรทั้งสองข้างเป็นทานแก่ยาจกแล้วกลับได้ทิพจักหูคืนดีขึ้นกว่าเก่าด้วยสัจจกิริยาซึ่งสมเด็จพระพุทธองค์เจ้ามีพระพุทธดีกาวไว้นั้นไม่ผิดข้อซึ่งพระองค์โปรดประทานธรรมเทศนาไว้ในพระสูตรว่าบุคคลที่มีตาอันมิได้มีจักขูวัตถุจักขูประสาท มิอาจจะได้ทิพจักขุนั้นประสงค์เอาทิพจักขุที่ได้ด้วยภาวะปัญญาขอบอพิจงรู้วัตถุทั้งสองนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชหฤทัยโสมนาตรัสสรรเสริญพระน้าเกษ์ผู้วิเศษดุดเหตุที่วิสัชนามาแต่หนหลังนั้นสีวิรัญโยจกักขุทานะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้